أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا د و ا, ظ ول و إ الع الع ظ ل ظ ا ل ي ن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديد ولك الحمد بعد رضى وأشهد ا ن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ل ه الأولين والآخرين ว่ ش ه د أن نبينا محمدًا أبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كله الكافرون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور م ح د س ا ت ه ا وكل م ح د س ة بدعة وكل بدعة ضلالا وعليكم ب ل ل ا ل ج م ع ة فإن ج د الله مجمع ن فمن شذ شذ في النار أما بقى السلام عليكم วาระมัด ah uh. ุอัลลอฮฺว่าบรักะตุ์ใน้างที่เรกรคริดข่ัวของ a l l a ุ سبحانه แะได้ส่งก่าวในสุระตุลอาลาหลังจากที่ผู้เลอได้ทรงพูดถึงการตักเตือนให้ความสำคัญของการตักเตือนแล้วก็บอกว่าผู้ที่มีความสำรวมนั้นย่อมที่จะรับฟังในเรื่องการตักเตือนในขณะที่คนออกข่างนั้นก็จะคือกลุ่มคนที่ชั่วร้ายยิ่ง الذي يصل النار ا ل ที่ที่เขาจะไม่ตายแล้วก็จะไม่เป็นขยะต่อมาครับขยะที่สิบสี่ครับ قد أفلح من تزكى แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนย่อมได้รับชัยชนะคับว่าอัฟละฮะพี่น้องเวลาเราไปละหมาดพี่น้องคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับเวลามูอัดดินอาดานเนี่ยใครอยากรู้สลา ขยายละอัลฟาแลงจงรีบเร่งมาสู่การละหมาดจงรีบเร่งมาสู่ความสำเร็จอัลฟาลความสำเร็จหรือว่าชัยชนะที่ว่าพวกเราคุ้เคยกันดีถ้าเราใช้คำว่าชัยชนะบางทีเราเราอาจจะรู้สึกมันไกลตัวเพราะชัยชนะเหมือนเป็นการต่อสู้เป็นสงครามเป็นอะไรแต่ถ้าเรามาใช้คำที่คนในปัปจจุบันเนี่ยชอบกันละถ้าเราแปลไปว่า การประสบความสําเร็จในชีวิตปเป็นอะไรที่ใกล้ตัวไหมครับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยแทบจะทุกคนเนี่ยเมื่อเราเกิดมาในดุนยาเราก็พยายามขนขวายตู้ดีทางเพื่อที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรคือการประสบความสําเร็จทํำไมต้องประสบความสําเร็จการประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นหลังความพยายามพยายามเพื่อที่จะได้มาเราทุ่มกับการศึกษาเราทุ่มเทกับการเรียนรู้ เราทุ่มเทกับการทำความเข้าใจกับการฝึกทักษะกับการทำงานกับการเก็บหอมรอมรอมบิบกับการสะสมทรัพสมบัติกับการที่จะมีบ้านเป็นของตนเองมีรถเป็นของตนเองมีครอบครัวของตนเองแล้วก็มีความสุขในชีวิตนี่คือมักจะเป็นสิ่งที่คนแทบจะทุกคนตั้งเป้าไว้เมื่อพูดถึงการประสบความส็จในชีวิตบางคนอาจจะมี เป้าหมายระยะสัน้นบางคนอาจจะมีระยะยาวซึ่งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆความสำเร็จชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนพอเริ่มจะออกกำลังกายปุ๊บอาจจะตั้งเป้าไว้ฉันจะถือว่าฉันประสบความสำเร็จในชีวิตของฉันนะะถ้าหากว่าฉันสามารถวิ่งได้ยี่สกิโลบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายอะไรประมาณนี้หรืออาจจะปั่นจักรยานขึ้นดอยได้โดยไม่พักเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราก็มีมุมมองกับคําว่า การประสบความสำเร็จที่ต่างกันแล้วใจเราก็จะผูกพันอยู่กับมันตลอดเวลาพี่น้องลองคิดดูทำไมเราถึงอยากให้ลูกเราเรียนทำไมหลายๆครอบครัวเนี่ยลูกไม่ละหมาดเนี่ยเขาไม่สี่เรียดเท่ากับว่าลูกไม่ยอมไปโรงเรียนบางครอบครัวครับถึงเวลาลูกเรียนเสร็จแล้วระหว่างไปเรียนพิเศษสามัญ กับเรียนสายศาสนาถ้าลูกไม่ไปสายศาสนาไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ลูกไม่ไปเรียนพิเศษสายสามัญเขาจะเครียดมากมากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือกลไกความคิดของเขาเพราะกลไกความคิดของเขามองว่าการเปเรียนสามัญ น, นั่นแหละจะทำให้ลูกประสบความสาเร็จในชีวิตถูกไหมครับเราตั้งเป้าไว้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวถึงเวลาเราจะบอกให้ความสำคัญกับศาสนาบ้างนะ อย่างน้อยเราก็ให้ลูกเราเรียนศาสนาบ้างพี่น้องบางคนพูดอย่างนี้โดยไม่รู้สึกผิดอะไรเลยบางคนบอกอาจารย์ต้องรู้สึกผิดด้วยเลยเนีย่ฉันก็ส่งลูกไปเรียนบ้างแล้วเนี่ยส่งไปเรียนฟาสอรีนบ้างตอนเยน็นส่งไปเรียนวันเสาร์อาทิตย์บ้างแล้วฉันก็ส่งเรียนบ้างแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่พี่น้องคาพูดที่พูดมานี้แสดงถึงตัวตนความคิดว่าเขา ให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่าคาว่าบ้างแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นของแถมเป็นของที่ว่าครูศาสตร์ทำแล้วไงแต่ตัวหลักนั้นคือเป้าหมายสำคัญในชีวิตของเราเพราะนั้นการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเรียนบ้างนี่พี่น้องไม่ใช่ว่าต้องให้ลูกได้รู้บ้างไม่ใช่ว่าต้องให้ลูกได้ละหมาดเป็นบ้างถ้าใครก็ตามคิดแบบนี้สอบตก สอบตกแล้วแล้วเขาก็สอบตกในการชีวิตเขาไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต่อให้เขามีเงินกองมากแค่ไหนก็ตามเขาร่ำลุมเหลวในการมือชีวิตแล้วเพราะอะไรครับเป้าหมายหลักมันกลายเป็นคําว่าบ้างไปแล้วอพี่น้องเรียนบ้างรู้บ้างละหมาดบ้างได้ละหมาดไหมอ่ะก็ละหมาดบ้างนะฉันอยากประมาดเมื่อฉันก็ละหมาดฉันไม่อยากละหมาดฉันก็ไม่อยากละหมาดมันก็เป็นเรื่องของฉันไม่ใช่หรือแต่พอเป็นเรื่องดุนยาปุ๊บไม่พลาดเลย ทำงานนี่ไม่อยากพลาดสักวันกลัวโดนหักกลัวไม่ได้โบนัสอาจจะสิ้นปีแล้วอาจจะกลัวไม่ได้โบนัสเพราะถึงเวลาป๋ากก็บอกว่ารักอัลลอฮ์ป๋ากก็บอกว่าอยากเข้าสวรรค์ป๋ากก็บอกว่าเชื่อว่ามีโลกหน้่แต่พฤติกรรมนั้นความสําเร็จตั้งเป้าไว้แค่ดุลยาเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหลายครั้งเนี่ยคำพูดพูดเพื่อให้เกิดความสวยงาม แล้วเราก็หลอกตัวเองว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแต่ภาคปฏิบัติของเรามันจะเป็นตัวสะท้อนว่าเราทุ่มให้กับอะไรอันนั้นแหละคือเป้าหมายในชีวิตของเราบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่เคยมีเป้าหมายฉันแค่นอนไปวันวันเขแปลว่าการนอนไปวันวันนั่นแหละคือเป้าหมายของเราแล้วขอให้ได้นอนไปวันวันไม่ต้องทาอะไรบางคนก็อยากเหนื่อยบางคนก็ไม่อยากเหนื่อยแต่ว่าพี่น้องอะไรคือความสําเร็จในชีวิต ของเราเราควรมองยังไงเราควรตั้งเป้าอย่างไงหรือว่าพี่น้องมองกันยังไงเวลาพูดถึงความสาเร็จในชีวิตเรามองกันยังไงอันนี้คือประเด็นที่มุสลิมเราต้องตรวจสอบตัวเองเป็นประจำพี่น้องเราต้องสอบสวนตัวเองว่าตกลงเนี่ยอะไรคือความสาเร็จในชีวิตของเราการที่ธุรกิจที่เราทำมันออกผล นี่คือความเสเร็จในชีวิตใช่ไหมหรือว่ามันเป็นเพียงหนึ่งในริสกีเราควรจะพูดยังไงระหว่างฉันก็ส่งลูกไปเรียนฟอสตหรือีบ้างกับฉันก็ส่งลูกไปเรียนสามัญบ้างพี่น้องว่าจริงๆประโยคไหนน่าจะถูกต้องกว่าท่านในกุรานพวกเราบอกว่าจงสา ะ, ะแสวงหาสิ่งที่จะทาให้เจ้าได้โลกหน้า แล้วอย่าลืมส่วนแบ่งของเจ้าในโลกที่นี้เพราะะใช่ครับว่าส่วนแบ่งในโลกนี้คือพวกเราว่าอย่าลืมทําเพื่อดุลยาบ้างจงทุ่มเพื่ออ้ายเคี่ยวแล้วอย่าลืมทําเพื่อดุลยาบ้างแต่ปัจจุบันเราตรงกันข้ามถูกไหมเราทุ่มเพื่อดุลยาแล้วก็ทําเพื่ออ้ายเคีะยวบ้างและถึงเวลาเราก็บอกว่าเราอยากหล่อจากไฟนรกเราไม่อยากเจอไฟนโลกเราอยากเข้าสวรรค์ชั้นสูงสุดแต่ไม่เซตความคิดของเรามันกลับเป็นความคิดของผู้ไปเสษสัทธา แล้วมันจะใช่ไหมล่ะผู้เผยศราสนาเขาไม่เชื่อโลกหน้าไงเมื่อไม่เชื่อโลกหน้าเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อโลกหน้าเขาอาจจะทําเพื่อเผื่อมันฟุกมีเพื่อทําไปบ้างเขาอาจจะมีทำเพื่อความสบายใจแต่หลักๆเขาทุ่มเพื่อดินยามีมุสลิมเป็นจํานวนไม่น้อยที่เรายังมีไมล์เซ็ตยังมีเซ็ตความคิดยังมีชุดความคิดที่ว่าไม่ต่างอะไรกับผู้เผยศราสนากัสอัฟละฮ์เหมืนเตซกะ บลักอัครัสมารับบีฟัสสล่าบัลทุเอสรุณ์ชีวิตดุนยาบัลอาคระทุกข์ขี้รู้อะบั่ว้านี่นั่นนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่็จในี่ตเราบอกไปนล้วว่ที่น่่เี่นห่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นร่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นป็นองแถม เขาจะคิดหรือเขาจะทําไม่รู้แต่ถ้ามันออกมาเป็นพฤติกรรมแบบนั้นนี่คือน่าเป็นห่วงกลุ่มที่สองที่น่าเป็นห่วงครับคือกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาตั้งชัดเจนและฉันจะทําเพื่อโลกแน่ฉันละหมาดฉันจ่ายสกาดฉันถือสินอดฉันไปทําฮัทฉันไปทําอุ่มเพราะที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วพี่น้องคําว่าคนดีแล้วเนี่ย พูดได้ตอนตายแล้วตอนตายแล้วนั่นแหละเมริกะที่มาเก็บวิญญาณคนดี ม, มาเก็บเนี่ยแหละแล้วมาบอกว่ายะยะตุหันนับสุนมุตมาอินเนะชีวิตที่สงบแล้วเออเวลากลับไปแล้วอันนี้แหละถึงจะบอกได้ว่านี่แหละคนดีอันนลลอฮ์รักแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะพี่น้องห้ามพูดประโยคนี้กับตัวเองเด็ดขาดห้ามบอกเด็ดขาดว่าฉันเป็นคนดีแล้วห้ามพูดเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องพูดประโยคนี้พี่น้องใกล้ความเป็นมูนาฟิก เข้าไปเรื่อยๆการไปพู้กับกอกไปเรื่อยๆเพราะมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยครับที่บอกว่าไงครับฉันทําความดีงามมากมายฉันทําความดีงามมากมายตรงนั้นฉันก็ช่วยคนนี้ฉันก็ช่วยคนนี้นฉันก็ทําคนนี้ฉันก็ทำจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่บางทีเนี่ยไอที่เขาทําเนี่ยมันทําเกินไปทําเกินไปยังไงครับบางทีทับปิดะ สิ่งที่เอาล้อไม่ได้บอกให้ทำไม่มีเป็นรูปแบบแล้วเขาไปคิดรูปแบบขึ้นมาเองหรือเขาทำสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละตามแนวทางนบีเด๊ะเลยแต่เขาไม่ระวังคำพูดของเขาไม่ระวังคำพูดของเขาเรากำลังพูดเรื่องอะไรเรากำลังพูดถึงการประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่ตรงข้ามกับการประสบ ความสำเร็จในชีวิตคือการล้มละลายถูกไหมครับประสบความสำเร็จกับล้มละลายตรงกันข้ามกันท่านอบีมูฮัมหมัดสลาลลัยสารบอกว่าไงครับใครคือผู้ล้มละลายในหมู่ของพวกท่านซาบักก็บอกก็คนไม่มีตังค์นะครับยารสุลลาะคนไม่มีทรัพย์สินคนที่ทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่นแหละบอกคนล้มละลายสําหรับพวกเราท่านอบีมูฮัมหมัดสลาลลัยสารบอกว่าไม่ใช่นั่นเป็นไมล์เซ็ตที่ยังไม่ถูกยังเป็นชุดความคิดที่ไม่ถูก พมุสตีมจะแยกศาสนาจากการนริชิตไม่ได้ท่านบีบอกบุคคลล้มลลายที่แท้จริงคือบุคคลที่มีการงานที่ดีมากมายแต่เขาไปด่าว่าคนนั้นเขาไปด่าว่าคนนี้เขาไปดินทาคนนั้นเขาไปทําร้ายคนนี้เขาไปว่าร้ายคนนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่เขามีการงานที่มากมายผลสุดท้ายการงานทั้งหมดที่เขาทําต้องเป็นของคนอื่นอันเนี่ยเรียกว่าร้มละลาย แปลว่าท่านรบีมัวมัสรอร์ลอยส์รำสอนไมเซฟให้กับพวกเราใหม่หมดเลยชุดความคิดให้เราใหม่หมดเวลามองชีวิตอย่ามองแคบแคบอย่ามองแค่ผู้ไปเสียศรัทธาที่มันจบแค่ดุนยาเพราะเขาเชื่อว่ามีแค่นี้มันก็มองแค่นี้แต่ถ้าเราเชื่อว่าพ่อร่อมีจริงเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสำนวนนี้ท่านระบีใช้ประจํามันแกนอายุเมนูบินไล่เวลามินอาคิดถูกไหมครับใครศรัทธาว่าล่อมีจริงกับโลกหน้ามีจริง แปลว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าอพลล์มีจริงแล้วโลกหน้าเนี่ยมีจริงแน่นอนเขาจะมองภาพชีวิตใหญ่ขึ้นมองภาพชีวิตกว้างขึ้นไม่ได้จบแค่ดุนยาเพราะฉะนั้นคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาเขาต้องเปลี่ยนมุมมองละอะไรคือการประสบความเสเร็จในชีวิตถ้าการประสบความเสเร็จของชีวิตคือการที่เราไม่ต้องทรมานและเรามีแต่ความสบายถูกหมครับถ้าเกิดเรามองดู ส่วนใหญ่แล้วประสบความสำเร็จชีวิตคือแบบนี้แหละคือมีชีวิตที่สบายถ้าเราเริ่มคิดแบบนี้เริ่มคิดถูกแล้วพี่น้องเราต้องการชีวิตที่สบายเราไม่ต้องการความยากลําบากงั้นเรามาคิดว่าชีวิตที่สบายเป็นแบบไหนชีวิตที่สบายคือชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยในดุนยา30ปี40ปีถึงเวลากเกษียณ น, นอนสบายสบายอันนี้กคือชีวิตที่สบายใช่ไหมถึงเวลาจะสบายแล้ว อยากเที่ยวไม่มีเรี่ยวแรงเที่ยวอยากกินไม่มีฟันจะเคี้ยวกินมีเงินแต่ไม่รู้จะเอาเงินไปใช้กับอะไรอันนั้นคือการประสบความสำเร็จในชีวิตจริงหรือเปล่าหลังจากที่ทรมานมาแล้วเนหน็ดเหนื่อยมาแล้วสี่สิปีห้าสิปีเกินครึ่งชีวิตสิ่งนั้นเรียกว่าการประสบความสำเร็จชีวิตไหมหรือบางคนบอกว่าฉันต้องเป็นเศรษฐีร้อยล้านต้องเป็นวัยรุ่นพันล้านต้องรวยตั้งแต่วัยรุ่นแล้วกเกษียนตัวเองเร็วๆนี่คือการประสบความสาเร็จ แล้วเราก็มีความสุขประมาณส0สปีหรือส0สิปีแล้วก็ตายอันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตจริงหรือเปล่าถ้ามองแบบมุสลิมพี่น้องเรามองภาพให้มันใหญ่ขึ้นเราต้องมองภาพรวมให้เห็นทำไมคนหลายๆคนยอมเหนื่อยได้เป็นสิบปีเพราะเขาเคี้ยวเขามองภาพกว้าง เขาบอกว่าเขาทรมานสิบปีแต่เขามีความสุขยี่สิบปีเอามันคุม้มเขามองภาพกว้างแล้วเมื่อสิมงเราล่ะถ้าเราทรมานเจ็สิบปีแล้วมีความสุขล้านปีคุ้มไหมถือว่าประสบความสริ้นชีวิตไหมใครคือคนที่มีความใครคือคนที่ประสบความสิ้นชีวิตป้าพี่น้อง คนที่แล้วเขามีความสุขแป๊บเดียวเหนื่อยเยอะหน่อยหรือเหนื่อยนิดนึงแล้วก็มีความสุขเยอะๆเลยเราต้องคิดให้ได้คือรู้เนี่ยทุกคนรู้หมดถามมุสิมคนไหนก็รู้หมดฉันรู้อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าฉันรู้ว่าโลกหน้ามีจริงฉันรู้ว่าสวรรค์มีจริงฉันรู้ว่านรกมีจริงฉันรู้ว่า ฉ, ฉันอยากเข้าสวรรค์ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากลงนรกแต่ที่รู้เนี่ย คิดตามนั้นด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าคิดตามนั้นจริงมันจะส่งผลมาที่พฤติกรรมถ้าพฤติกรรมเรายังทุ่มกับดุนยาแปลว่าเราไม่ได้คิดตามที่เราอ้างเพราะนั้นประเด็นที่ยกมาเนี่ยครับผมเหมือนกับบางคนที่ทำความดีเนี่ยเขาบอกเขามองกว้างแล้วแต่ที่เขามองแคบคืออะไรที่เขามองแคบก็คือเขาละเลยในเรื่องคำพูดของเขา เขาบอกฉันก็ละหมาดแล้วไงฉันถือสินอดฉันทำพัดฉันทำความดีสารพัดพอถึงเวลามีเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาปุ๊บฉันพร้อมเข้าไปผสมลงบางทีเป็นเรื่องการใส่ร้ายที่เขาไม่รู้ข้อเท้จริงเลยโดยพเลือกสามีภรรยาเนี่ยพี่น้องตัวอย่างชัดเจนมากพอมีเรื่องทะเลาะ ก, กันละอ่าเลือกข้างเรียบร้อยฝ่ายหนึ่งฝ่ายเชียร์สามีอีกฝ่ายนึงฝ่ายเชียร์ภรรยา สามีเอาเรื่องไม่ดีของภรรยาไปพูดปุ๊บเออเนี่ยมันไม่ดีจริงๆโอ้มันเป็นพี่ๆมีดีมันเป็นผู้หญิงอย่างงั้นเป็นผู้หญิงนี้ภรรยาเอาเรื่องไม่ดีของสามีไปพูดเออผู้ชายเนี่ยมันชั่วมันเลวมันเนี่ยมันนี้แหละธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แหละใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปรู้ความจริงไม่ไม่รู้รู้แต่ข้อมูลที่ฝ่ายหนึ่งนํามาเท่านั้นแล้วพูดไปเรียบร้อยแล้วคําพูดนี้ที่พูดไปถ้ามันถูกเรียกว่านินทาบาปถ้ามันผิด เรียกว่าใส่ร้ายยิ่งเป็นบาปหนักขึ้นไปอีกแต่ถามว่าเครียดกันไหมครับไม่เครียดกลัวล้อกันไหมไม่กลัวกลัวนรกไหมไม่กลัวปากบอกว่ากลัวแต่ถึงเวลาปุ๊บสามารถทําพฤติกรรมที่เสี่ยงกับนรกได้โดยที่ไม่กลัวตกลงกลัวหรือไม่กลัวตกลงมันเข้าไปถนความคิดหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าเราดูในสุรัตตุ น, นสูสเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเหตุการณ์คล้ายคลงกันเนี่ยเคยเกิดขึ้น ในกลุ่มซอฮาบะด้วยซึ่งแน่นอนครับกลุ่มซอฮาบะเป็นมนุษย์เหมือนกับเรามีถูกมีผิดมีพลาดพอท่านพลาดปุ๊บพวกล้อเตือนพอเตือนปุ๊บท่านเตบาบะจบไหมจบก็จะมีบางกลุ่มที่บอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทําผิดทำผิ ด, ผดแล้วทำไมล่ะคุณไม่เคยทําผิดเลยมันก็เคยทําผิดกันหมดถามว่าเตาบะไม่เตบาบะอานาบีบอกว่าทุกคนพวกคุณทุกคนเป็นคนบาป คนบาปที่ยิ้มสรุนกับเนื้อกับตัวกับเนื้อกับตัวแล้วจบไหมจบเลารับรองว่าดีไหมเรารับรองว่าดีเพราะฉะนั้นก็จบครับเพราะนั้นซาฮาบะต่อให้เราพราบว่ามีเหตุการณ์ที่ท่านทาผิดแต่พวกเรารับรองพวกท่านแล้วเราก็จบเราเชื่อพวกเราทุกบักเราไม่ได้เลือกที่รักมกักที่ฉังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในช่วงการใส่ร้ายที่อิชอชาห์ไรยุลโลอันฮัยอย่างที่พวกเราทราบกันดีในสุลตู น, นูรเนี่ยพวกเราเข้าใจไหมครับเราละอิสมาอตูมูฮูดันนัลมุเอมินูน วันมูมีเน้ตุบียงฟุซิมค่อยรอว่ากอลูฮ่ได้ i ุ ม, มบินเหตุการณ์ผมขอเล่าสรุปแบบคร่าวๆนะครับพี่น้องที่สนใจอยากได้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติ ม, ตมก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่เหตุการณ์ก็คือว่าในช่วงหนึ่งที่เสร็จสิ้นจากการเดินทางครับท่านอีบิมอสโรซามปัวติโอลาท่านเดินทางใช่ครับท่านก็จะพาภรรยาไปด้วยหนึ่งท่านก็จะสลับกันไปเรื่อยๆก็มีช่วงหนึ่งครับช่วงที่ว่าเดินทางกลับมาแล้วเนี่ย ช่วงที่กำลังเดินทางไปแล้วก็เดินทางจะกลับมาเนี่ยกองคารวานครับเมื่อถึงเวลาก็พักระหว่างทางที่อิาอาชายท่านอยู่บนแค่ซึ่งก็มีซอบ้าเนี่ยก็จะแบกแค่ของท่านอาิชาเนี่ยไปอยู่บนอูดถึงเวลาอูดก็เดินทางพอถึงที่พักปุ๊บก็ยกแค่ที่อิาอาชาเนี่ยลงมาซึ่งท่านอิชายคือมารดาของผู้ศรัทธาภรยาของท่านอบีทุกคนคือแม่ของผู้ศรัทธาอาลัลลอฮ์รับรองมนันอร่าง พวกล้อรับรองไว้ในอัลกุรอานว่าและบรรดาภรรยาของนบีคือแม่ของผู้ศรัท ธ, ธาใครพูดเป็นอื่นเขาเป็นกาเฟตเพราะเข้าไปเสร็จกุรานภรรยาของผู้ศรัท ธ, ธาเขาบรรดาสอใบาให้เกียรติคือจะไม่มีใครพูดกับภรรยาของผู้ศรัท ธ, ธาเป็นการให้เกียรติแล้วก็ให้เกียรติแก่ศักดิ์ศรีท่านนบีมูฮัมมัด ส, สุลตานว่าใอสลัมยูชเชนเดียวกันซึ่งในกุนรอานพวกลบอกว่าถ้าจะพูดกับภรรยาของบรรดาผู้ศรัท ธ, ธา กับมารดาของผู้ศรัทธาของมัฟพูดกับมารดาของผู้ศรัทธาก็คือพระยาของท่นานบดุลเบุส ล, สลิมเน่ยต้องพูดหลังม่านซึ่งในสมัยก่อนก็คือก็ผู้ชายผู้หญิงจะไม่ค่อยคุยกันอยู่แล้วทีนี้นะครับพอถึงที่พักใช่ไหมครับผา้หญิงไอ้ชายเนี่ยก็ออกมาทําธุระขับถ่ายของท่านท่านก็ออกมาแกะว่าทำแป๊บเดียวนี่แหละก็ทำธุระเสร็จแล้วดูปุ๊บ ก, ก็กลับเข้ามาที่ที่พักเรือซาบาก็เห็นว่าออก พอจะรูวมมีการออกไปแล้วก็กลับเข้ามาทีนี้ครับตี่หญิงไอช้าเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว่าทําสร้อยคอตกหายนางมีสร้อยคอของนางแล้วนางคำตกหายนางก็เลยนี่เป็นเป็นห่วงสิครับของหายถึงแบบนาก็เลยรีบออกไปอีกครั้งหนึ่งรอบสองเนี่ยแหละครับที่ไม่มีใครได้ทันสังเกตพอนางออกไปรูปนางก็ไปค้นค้ น, น, นซึพอค้นเนี่ยหาไม่เจอเลยหาไม่เจอหาเท่าไหร่หาหาหาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ทพนี้พอถึงเวลาซาบ้าก็คิดว่าคนทุกคนครบแล้วที่อย่างอาช่งก็กลับมาละซาบ้าก็แบกแค่ของที่หญิงเนี่ยขึ้นไปไว้บนอูดซึ่งที่อย่าไอาชั่งเนี่ยตัวเบ า, าครับแค่น่ยมันหนักคือมีท่านหญิงกับไม่มีท่านหญิงเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยซาบ้าก็ไม่ได้พูดไม่ได้ถามไม่อะไรก็ยกขึ้นมาวางที่เสียๆเป็นการให้เกเียรติในอย่างที่บอกแล้วก็เดินทางไปที่ไ อ, อชั่งถึงเวลาพอกลับมาครับงานเข้าสิไม่มีใครเหลือแล้วไม่เหลือใคร ที่ ไ, ไ อ, อ้ชาก็เดี๋ยวเขาเดินทางไปสักพักเดี๋ยวเขาคงรู้ว่าฉันหายเดี๋ยวท่านอบีน่าจะส่งคนมารับฉันที่เอ้ชาก็เลยรออยู่ตรงนั้นครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วถูกไหมครับผู้หญิงตามลาพังจะยิ่งเต๋อคนเดียวเดินทางกลางทะเลทรายยิ่งอันตรายที่เอ้ชาก็เลยรอพอรอครับก็อ ร, อรอรอรอรอไปรอมาทีนี้ก็มีซาบะที่ว่าตามมาทีหลัง บ้างก็ว่าที่ตามมาที่หลังเนี่ยเพราะว่าเวลากองคารวาลเดินทางเนี่ยบางทีจะลืมของลืมอะไรบ้างก็เลยต้องมีคนล้างท้ายเผื่อเก็บของที่ลืมคนล้างท้ายพอเมีเ่อย่างไอชช้าปุ๊บอุทาเลยครับว่าอินานารินเ ล, ล่์อุทาเลยก็คือเรื่องใหญ่แล้วนี่คือเตียรติยต์ของท่านลบีมูฮัมมัดสุลตัมนี่คือมารดาของผู้ศรัทธาที่ไอ้ช้าพอที่ยินปุ๊บก็ท่านหญิงก็ ลุกขึ้นมาก็เห็นแล้วว่ามีซอบ้าเดี๋ยตามมาซอบ้าก็มีพูดอะไรหน่ลยก็ชี้สัญลักษณ์ให้รู้ว่าให้ที่เหนือแอชาเนี่ยขึ้นไปเพราะซอบ้าจะทิ้งที่เหนือแอชาึนไปไม่ได้แล้วคือตอนนี้จะเลือกไงดีแหละเลือกทิ้งที่เยนือแอชารีบตามขบวนให้ขบวนกลับมาซึ่งจะเกิดอันตรายกับที่หญิงอะไรบ้างก็ไม่รู้หรือว่าจะให้โดยสารพานะที่เขาอยู่ แล้วก็ไปด้ยวยกันอันไหนจะปลอดภัยกับการซบาบ้างท่านั้นก็ช่างน้ําหนักว่าจเจ้าอย่างไรดีผลสุดท้ายก็เลยบอกว่าก็ให้ทีอย่างนี้จะอช้าขึ้นแล้วกันเหมือนกับความรู้สึกของคนเป็นลูกที่มีต่อแม่อ่ะพี่น้องพี่น้องผู้ศรัทธาเราเนี่ยเวลาเราเจอผู้ศรัทธาพวกเราบอกไงเป็นพี่น้องกันถูกไหมความรักที่มี <c oughs> ต้องเป็นความรักที่เรามีกับพี่น้องส่วนบรรดาภรรยาของท่านนาบีมสาาุสลิมเนี่ยพวกเราบอกต้องรักเหมือนกับที่เรารักแม่เราเลย ต้องรักเหมือนกับที่เรารักแม่ป่ะถือว่าเป็นแม่ของผู้ศรัท ธ, ธาสาบ้าท่านนั้นก็รักแม่ไงก็เชิญแม่นั่งบวรแค่ท่านไม่ได้นั่งด้วยเลยนะท่านจูงเดินพอท่านจูงเดินมาครับก็บกองคารวานก็นถึงละท่านก็จูงมาจนถึงพอจูงมาถึงแค่นี้แหละครับผมบรรดาพวกมูนาฟิกเนี่ยมีอยู่อยู่ย ท, ทุกทุกสมัยแหละมูนาฟิกตีข่าวเลยอ่าทําไมล่ะ ภายาของท่านนบีทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมไม่กลับมาพร้อมกันทำไมถึงกลับมาพร้อมกับผู้ชายต้องแอบทำอะไรไม่ดีกันแน่เลยพี่น้องคือถ้าเกิดจะคิดแบบ make sense นะครับผมถ้าคนจะทำความชั่วไม่มีใครเขาทำประเจดประเจอรหรอกซึ่งปกติคนทำความชั่วเนี่ยมักจะไม่โดนว่าถูกไหมครับเพราะมักจะมีความเนียนมีอะไรประมาณเนี่ยแต่นี้คือเปิดเผยแล้วไงแต่ขี้ปากชาวบ้านเนี่ย ก็มีการพูดไปอ้าวๆเอ้เอ้เ อ, เ อ, เ อ, เ อ, เอนี่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทําไมไม่รักนวนสงวนตัวคือถ้าสมัยนี้คงไม่สีเรียมสมัยนี้นี่ผู้ชายผู้หญิงบางทีนั่งบัตส์ไซค์กันนั่งกันเป็นปีๆอย่างเมือสีเรียมแต่สมัยก่อนนั้นเขาถือเนื้อถือตัวให้เกียรติศักดิ์สิทมากกว่าคนสมัยนี้เยอะคุณค่าของผู้หญิงสมัยก่อนมีการให้คุณค่าเยอะกว่าสมัยนี้มากมายมหาศาลเลยพี่น้องคือแค่เห็นเนี่ยผู้ชายเนี่ยจูงมาแล้วผู้หญิงนั่งข้างบนเนี่ย เขาคิดเลย ว, ว่าน่าจะมีอะไรกันหรือเปล่าสมัยนี้คง ม, มีคิดหรอกเขบอกมันเป็นเรื่องปกติแต่นี่คือสมัยก่อนไงนก็เริ่มมีการแพร่ข่าวเรื่องราวรายละเอียดเป็นยังไงครับผมคงไม่ขอเล่าให้ละเอียดเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ละเอียดแต่ประเด็นก็คืออายักุรานที่เรากําลังคุยกันที่ผมยกมาครับลราแอิสมอตูมูคือพอมูนาฟิกช่วยกันตีข่าวเนี่ยมุสซิมบางคนก็เฮ้ยเป็นไปได้นะ คือถ้าเกิดเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราพร้อมจะเชื่อถูกไหมครับผมถ้าเป็นเรื่องดีนเนี่ยบางทีแล้วก็เออใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องชั่วปุ้บพร้อมจะเชื่อยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติมีใครสักคนเราสงสัยว่าเขาทําสีน่ะสมมุติเราสงสัยว่าเขาทําสีน่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าฉันไม่ได้ทําเชื่อไหมยากแต่ถ้าเขาบอกว่าอ่าโอเคฉันทําอ่ะพร้อมจะเชื่อทันทีถูกไหมครับเชื่อทันทีเลยแค่เขาบอกว่าทําแค่ น, นั่นแหละเชื่อเลย แต่ถ้าเขาบอกไม่ทำอาจจะไม่เชื่อนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งซาบ้าในยุคนั้นนะครับมีส่วนหนึ่งครับที่พอได้ยินข่าวปุ๊บเอ๊ะหรือถ้าหญิงไอช้าจะทำซีนาจริงๆความเป็นไปได้ไงชายหญิงอยู่กันตามลาพังคนที่บุคคลที่สามก็ต้องเป็นช้ยตอนอืมโอกาสเป็นไปได้นะแล้วก็มีการพูดกันพวกเราบอกว่าไงครับ ทำไมล่ะตอนที่เจ้าได้ยินเนี่ยนี่พวกรับประทานยากลาดมาเพื่อรับรองความบริสุทธิ์ของที่หญิงอาอิชาาลล่ารอยโลอาณาเลยถึงจะมีกลุ่มที่มันจะพยายามใส่ร้ายที่อิช่าให้ได้กลุ่มสกรปรกที่ว่าจะยัดเยียดความสกรปรกให้ครอบครัวของระบีเนี่ยนะพวก ร, รับรองความสะอาดแล้วพวกรับอกว่าไงครับทำไมล่ะตอนที่เจ้าได้ยินอย่างเงี้ยทำไมเจ้าไม่คิดเหมือนกับที่ชอบเข้าข้างตัวเองบ้างล่ะพวกรัพูดให้เราได้คิดอต่พี่น้อง คือถ้าเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราต้องเข้าข้างตัวเองก่อนเห็นด้วยไหมครับถ้าเป็นเรื่องของเราเราต้องเข้าข้างตัวเองก่อนถ้าเป็นเรื่องของเราถ้ามีคนบอกปุ๊บเฮ้ยเนี่ยมันมากระตามเราังสองคนมันทําซีนาแน่นอนถ้าเป็นเราเราก็ต้องเข้าข้างเองไม่ได้ทําซีนาเนี่ยฉันอุส ah. ัาห์เมตตาเขาฉันอุตส่า ah. ์ให้ความช่วยเหลือเขาเลยฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนดีออกถ้าเป็นเรื่องของเราเรามองแบบนี้พัวล็ส์บาตาระบอกว่าไงครับทําไมเนี่ยเจ้าไม่คิดเหมือนกับมันเป็นเรื่องของเจ้าบ้างล่ะ ทำไมพอมันเป็นเรื่องของบุคคลที่สามที่เจ้าไม่ได้รู้อะไรเลยทำไมเจ้าพร้อมที่จะเผยแพร่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามความชั่วร้ายออกไปล่ะมันสนุก ป, ปากแนละ้วมารู้สึกดีนะกเหรอเพราะว่าผู้เตือนสตินี่คือเตือนทุกคนเลยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าเตือนซาฮาบะแปลว่าท่านเป็นคนไม่ดีแต่เตือนมนุษย์ทุกคนเพราะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เวลาพอมีข่าวไม่ดีของคนอื่นเราพร้อมที่จะไปผสมลง โดยที่เราไม่คิดว่าถ้าเป็นเรื่องของเราเราจะมองตัวเราอย่างไงเพราะถ้าเป็นเรื่องของเราเรามองบวกไว้ก่อนต่อให้เราทําชั่วแค่ไหนก็ตามเราก็มองบวกถูกไหมครับเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนกับถ้าเกิดมีการมาสายอย่างเนี้ยสมมติมีใครสักคนนัดกับเราเขามาสายไอ้นี่ยมันไม่มีความรับผิดชอบนี่ยมันมันเป็นคนเลวน่ยมันรอบหน้าฉันไม่นัดกับมันแล้วน่ยมันมันไม่ดีมันไม่ได้เรื่องเราจะคิดแบบนี้แต่พอเรามาสายปุ๊บ แล้นี่ฉันมาสายเนี่ยติดทุล้างเนี่ยลูกก็ร้องเนี่ยเมียก็ร้องร้องกันหมดเลยเนี่กว่าจะออกจากบ้านเนี่ยรถก็ติดอีกเรื่องก็ติดหาเหตุผลทั้งๆที่เราทําผิดแต่ก็หาเหตุผลให้เรารู้สึกดีให้เราเป็นคนดีแต่พอไปเรื่องคนอื่นกลับไม่คิดแบบนี้พี่น้องครับเตือนทุกท่านเลยผมเตือนตัวผมเองเป็นคนแรกเลยเวลาจะคิดกับคนอื่นคิดบวกกับเขาบ้างก็ได้ เราจะรู้จักเขาเราจะไม่รู้จักเขาคิดบวกกับเขาบ้างก็ได้เพราะผู้เลาะสั่งไว้คุณเราสั่งว่าทําไมแหละเวลาคิดกับตัวเองก็คิดดีๆใช่ไหมแล้วพอมีเรื่องที่เขาแพร่กระจายเนะี่ยทำไมไม่บอกว่าะนี่มันใส่ร้ายหรือเปล่าถ้ามีถ้าเป็นความจริงเอาพยานมาสิอ่าคุณบอกว่าสองคนนี้ทาจินา่าจะไม่มีพยานไหมถ้าไม่มีคุณกําลังใส่ร้ายเขาทาไมไม่พูดแบบนี้ทาไมถึงเวลาปุ๊บหรือเนี่ยสองคนนี้ไปทําจีนามาเนะี่ คนฟังก็เออเน่วยว่าแล้วเชี่ยวเนี่ย ม, มันต้องทำซีนาเนี่ยดูมันเป็นคนประเภทนั่นแหละทําไมล่ะทําไมเย็ดเยียดข้อหายเขาง่ายขนาดนั้นมีพยานไหมล่ะสำหรับพวกร้อนนะครับการจะบอกว่าใครทําซีนาต้องมีพยานสี่คนเห็นตอนมีการหลับนอนกันเลยนะไม่ใช่แค่กอด น, นะพี่น้องไม่ใช่แค่จูบกอดไม่ใช่แค่รูปคันแต่ต้องเป็นการเข้าพระเข้านางเลยอ่ะต้องเห็นตอนนั้นเลยเนี่ยสี่คนผู้ชายสี่คนเห็น ถึงจะมาเป็นพยานแล้วบอกว่าไอ้อครูนี้มันทําซีนาได้ถ้าไม่ใช่นะพโพลล์บอกไหครับสําหรับพโพลล์ถือว่าเป็นการโกหกเราก็โกหกกันวันละกี่เรื่องพี่น้องมีกี่เรื่องที่ใส่ร้ายกันนะที่มันอยู่บนผืนแผ่นดินเนี่ยไม่ต้องเอาเรื่องซีนายอย่างเดียวเรื่องเกียรตยิยศของพี่น้องเฮ้ยไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนไม่ดีนี่เป็นคนชัว่วนี่มันเป็นอย่างงี้ยอันีน้มันเป็นอย่างงี้อันนี้มันทําอย่างงี้เพราะอย่างงี้อันนี้มันทําอย่างงี้เพราะอย่างงี้หรือบางทีกินเลือกกินเนื้อผู้รู้ ไอเนี่ยเป็นผู้รู้แบบมันเป็นผู้รู้มวลชนไอเนี่ยมันที่มันพูดมันฟัตวาไปเนี่ยมันอยากให้คนมันยอมรับมันทําไมกับตัวเองมีเหตุผลดีๆให้แต่คนอื่นต้องมีเหตุผลชั่วเท่านั้นเหรอเพราะถึงเวลาไปถามว่าคุณรู้ใจคนอื่นเลยเขาบอกไม่รู้แต่มันชัดเจนอะไรล่ะที่ชัดเจนพวกรั้วถือมันเป็นการโกหกไม่ใช่เหรอการพูดโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยแล้วอะไรที่ทําให้คุณเอามามั่นใจว่ามันชัดเจนไว้แล้วในแททุกท่านครับในแท้ตัวผมเองคนแรกกับพี่น้องทุกท่าน อย่าได้ตัดสินเจตนาใครนอกจากในสิ่งที่เขาพูดออกมาชัดๆถ้าเขาพูดชัดๆฉันทำอะไรฉันอวดอา่าโอเคเขาบอกว่าเขาอวดวันนี้พูดตามที่เขาบอกแต่อย่าได้ดวนตัดสินต่อให้เราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแค่ไหนก็ตามเพราะถือว่ามันเป็นการโกหกถ้าเราไม่มีหลักฐานจำให้ขึ้นใจนะพี่น้องถ้าไม่มีหลักฐานชัดๆในดุนยาถือว่าเป็นการโกหก ต่อให้เราเห็นกับตาถ้าไม่มีหลักฐานถือว่าเป็นการโกหกถ้าเราไปเป่าประกาศให้คนอื่นรู้ถ้าไปฟ้องศาลอันนี้อีกเรื่องนึงฟ้องคนที่เกี่ยวข้องอันนี้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็ถึงเวาลาก็ต้องมีการไต่สวนต้องมีการดาเรนินคดีไปเพราะฉะนั้นพี่น้องเรื่องใหญ่ไหมใหญ่นะเพ ร, ะราะว่าก่าไงครับเพ ร, ะราะว่าก่าต่อนะเราแล้ จลล เ, เจะพี่น้องทไมละ่ะไม่เอาพเมาสออนนี่มีการกระจายข่าวใช่ไหมเนี่ยมันทาสินานี่มันไปทําสินากันมาเนี่ยจะนี่ไอช้าเนี่ยภรรยามันดาผู้ศรัทธาเนี่ยนึกว่าเป็นคนดีเนี่ยไปทาสินามาหรือทาสินามาหรือเปล่าหรือพูดในเชิงคาถามสมัยนี้บางคนเล่นมุกบอกว่าเลี่ยงกฎหมาย หรือเปล่าเขามีอะไรกันหรือเปล่าคือรู้ว่าพูดประโยคเนี่ยคนจะคิดแล้วพวกเกาบอกทำไมไม่เอาพยานมาสี่คนถ้าไม่สามารถนำพยานมาได้สำหรับอัลลอ์ถือว่าพวกนี้เป็นคนโกหกหมดเลยชัดเจนไหมชัดเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่ในสังคมมีทั่วไปไหมมีทั่วไป แลวทุกคนก็บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันตามนาบีฉันเป็นซาลัฟหรืออะไรก็ตามแต่ที่จะยกให้ตัวเองยกหางให้ตัวเองดูดีเนะี่ยช่วยย้ำเคียงต่อร้อยให้มากครับทุกท่านทุกคนตัวผมคนแรกพวกเราทุกคนต้องกลัวผู้อื่นให้มาก ว ا ل ا و ل ى فَتُلَّعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ا ل د ُ ن ْ ي َ ا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيمَا أ َ ف َ ض ْ ت م ْ فِيهِ أَدَابٌ ع َِ ي م ٌูรับอกงี้ครับหากไม่ใช่เพราะมันเป็นความโปรดปานจากอัลลอ์และความเมตตานะที่มีให้กับพวกคุณเนี่ยทั้งในดุนยากับอาครอนเนี่ยคุณคงจะต้องโดนโลงโทษหนักไปแล้วกับสิ่งที่พวกคุณทพาพูรับเตือนซอลาบานในยุค น, นั้นส่วนที่มีส่วนในการแพร่ข่าวที่ผิดผิดนี้แต่พูรับอกนี้ครับแต่พูรับเมตา ผู้เลาจึงไม่ลงโทษเขาไปเป็นการบอกว่าผู้เลาก็รับการตอบบาของซบาทที่ทาบิดอิสตลกกวหูบ ah ิอัลซินติกุมวตะกููนบิอฟะฮิกุมมาลซลกุมบออินมตอนที่เจ้าพูดเจ้ามีความรู้พูดในสิ่งที่มีความรู้คือสิ่งที่มันชัดเจนนะพี่น้องวาตัสซาบู ه ه ูไฮยนววอินเลอยอามเจ้าอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่สำหรับเล่ามันไม่เล็กเลยมันเป็นเรื่องใหญ่ ปากที่ไม่เน่าของพวกเราหรือพี่น้องลิ้นที่มันไม่เน่าที่มันสั้นๆเนี่ยพี่น้องเราอ่ะที่มันเป็นเรื่องเล็กคุยสนุกปากถ้าเราเป็นคนที่โดนเราไม่มีทางสนุกเห็นด้วยนะครับแล้วสำหรับพวกเรามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กด้วยว่าเราแลอิสมาียตูมูฮุคุลตุมายะคุนุลันานตะกล่ำมบีฮะดาสุบฮะนักฮะดาบุฮตานุอัลกมฟุลาบัก ที่เจ้าควรจะพูดนะเวลาที่มีคนเอาเรื่องไม่ดีอย่างนี้มาเนี่ยที่เจ้าควรจะพูดเจ้าควรจะพูดว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะพูดเพราะมันเป็นการใส่ร้ายที่ชัดเจนพี่น้องตั้งเป้าไว้เลยพวกเรามาทําข้อตกลงร่วมกันถ้าถึงเวลานะมีคนเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมา อย่าไปผสมลงอย่างน้อยบอกว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนไหมถ้าไม่มีอยู่ฉันไม่อยากเสี่ยงฉันไม่อยากเสี่ยงจะเป็นบุคคลล้มละลายฉันอยากพบความสำเร็จใครจะมองความสำเร็จยังไงไม่รู้แหละแต่สำหรับฉันความสาเร็จของฉันคือการที่ฉันรอดจากไฟนรกกอลล์การที่ฉันได้เข้าสวนตลอดการนี่แหละคือความสาเร็จของฉันฉันมองภาพกว้างที่สุดแล้วดุนยา ได้อะไรไม่ได้อะไรอัลฮัมดุลิลละแต่ที่แน่ๆโลกหน้าฉันต้องรอดจากไฟนรกพี่น้องต้องให้เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักพี่น้องปักหมุดไว้เลยพี่น้องในใจเราเลยว่าสูงสุดของเราคําว่าประสบความสําเร็จในชีวิตคือการที่ฉันนั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็รอดจากการถูกลงโทษในไฟนรกนั่นแหละคือความสําเร็จในชีวิตของฉัน ตั้งเป้าอย่างนี้ให้ได้ให้เหมือนกับที่เราตั้งเป้าอยากมีบ้านให้เหมือนกับที่เราตั้งเป้าอยากจะมีรถให้เราเหมือนกับที่เราตั้งเป้าอยากจะมีครอบครัวถ้าพี่น้องตั้งเป้าแบบนี้ให้ชัดเจนแบบนี้อินชาลอ่ะพี่น้องพี่น้องจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนพี่น้องแน่นอนพราเรากล่าวไว้ครับอย่าอ um um ิซุกุมุลล่ฮูอันตะอูดูริมิสดิฮีอาบะดาอิงกุนตุมุมินินเพราะเราเตือนบรรดาสาบ้ากลุ่มนั้น หากพวกเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาพวกเราก็ขอเตือนพวกเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ไม่ต้องกลับไปทำมันอีกแปลว่าพวกเราให้โอกาสทุกคนซึ่งสอบอาพอได้รับการเตือนปุ๊บฟังทันทีครับแต่อย่างที่ผมบอกครับก็ยังมีกลุ่มคนชั่วร้ายจนถึงปัจจุบนันพวกเราบอกชัดเจนขนาดนี้นั่นก็ยังจะด่าว่ามารดาผู้ศรัทธาอยู่ ก็ไม่รู้นะครับใช้ไอเออเอาอะไรไปคิดนะครับคือบางทีมีเหตุผลเยอะเกินเนี่ยเพี้ยนเหตุผลชัดๆบทเดียวพอเหตุผลที่คุมเครือนอ่ะตัดทิ้งเพราะเหตุผลที่มันคุมเครือมันดิ้นได้ไงตีความอย่างนั้นก็ได้ตีความนี้แล้รจริงจริงเอี่หรือพะรยานาบีเป็นคนไม่ดีจริงจริงเอ๊ะหรืออย่างนั้นหรืออย่างนี้เหตุการณ์อย่างนั้นเหตุการณ์นี้แหละกู่านตรงนี้ชัดไหมพวกเราบอกชัดไหมถ้าชัดจบถ้ามีความคุ้มเครือให้มันอยู่กับชัยตอนไปมุสลิม อยู่เบนความชัดเจนส่วนอายะที่สามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งที่มีคนชอบมาป่วนน่ยพี่น้องแล้วก็บอกว่าเราอัลลอฮฺัสบุนุลลอฮ์วันนี้มันวกินขความหมายต่อละแล้วขอยึดตัวบทที่ชัดเจนพี่น้องจะไม่หลงเพราะพวกที่สร้างชอบสร้างความแตกแยกเนี่ยเขาจะชอบเอาเรื่องที่มันคุมเคือเอามาสร้างความสงสัยแล้วก็ทําให้คนหลุดไปได้ยึดยึดผู้หลานที่ชัดเจนจบพี่น้อง ทีนี้ครับวันนี้ประเด็นคงจบไม่ได้ถ้าเราไม่พูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าแล้วคนที่ประสบความเสเร็จในดุน y าอารเธอร์เขาจะไม่มีทางประสบความเสเร็จห ร, หรือเขาจะประสบความสำเร็จได้ไหมก็พี่น้องที่รักครับเงื่อนไขที่สาคัญที่สุดว่าจะประสบความเสเร็จในโลกหน้าหรือไม่ ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนแต่ต้องเป็นมุสลิมที่ศรัท ธ, ธาต่ออัลลอฮ์นี่คือเงื่อนไขข้อแรกเลยถ้ามีข้อนี้โลกหน้ามีโอกาสประสบเสศรชนะครับมีโอกาสประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่ผู้ที่ศรัท ธ, ธาในพระเจ้าความสาเร็จนั้นจะหยุดแค่ดุนยาท่านอับดุลเลอะสุสลามกล่าวไว้ครับว่าอินลฟรออิดอามิลฮนตันอุดอมบิฮตอมตันมินัดดุนยา وأما المؤمن فإِنَّ اللَّهَ ي َ د َลล خ رة, ِ ر ُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا َ ل َ ع ِ ه ِในวิรารมุสลิ ม, มท่านนาบีมุสลิมบสบอกว่าผู้ไปเสด็ศรัทธาคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อมีโลกหนาเวลาเขาทำความดีมีไหมผู้ไปเสด็ศรัทธาที่เป็นคนดีที่ทาความดีมีครับเยอะแยะพวกเรามองข้ามหรือพวกเราไม่เคยมองข้ามนี่คือความที่ธรของพวกเรานี่คือความยธรอของพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าไงครับท่านบิวส์ดำให้ท่านบิวส ร, รมิสรรมได้มาบอกเราว่าผู้ที่ไม่ศรัทธานในพระเจ้าเวลาเขาทําความดีนะเนี่ยพ่อร้องจะตอบแทนให้เขาได้รับเลยในดุ n y a ให้เขามีความสุขให้เขามีสุขภาพที่ดีให้เขามีอายุที่ยืนยาวให้เขาได้รับสิ่งนั้นให้เราได้รับสิ่งนี้คือมันจะมีสิ่งดีชดเชยความดีที่เขาทําเสมอพ่อร้องไม่เคยอาธรรมใครครับดุ n y a เขาได้ทันที ในขณะที่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเมื่อเขาทําความดีพ่อรอดจะเก็บการตอบแทนไปให้โลกหน้าส่วนโลกนี้พ่อรอดจะให้ริสกีตามที่โป่งนั้นต้องการจะมอบให้กับเขาแต่น้ำซีมเราเราเจ้าทั้งคู่คือผู้เป็นศรัทธาเขาเจ้าแค่โลกนี้ไงเขาคิดอย่างนี้จริงถูกไหมครับเพราะถ้าเขาอยากได้โลกหน้าเขาก็คงไม่เป็นผู้เผยศรัทธาแปลว่าเขาเชื่อมั่นของเขาแล้วว่าเขาเจ้าแค่โลกนี้ซึ่งพ่อรอดก็ไม่ได้อาทํำเขา อาอยากได้แค่ลูกนี้ใช่ไหมข้าก็จะให้เจ้าในสิ่งที่เจ้าต้องการแต่ลูกหน้าเจ้าไม่ได้เพราะเจ้าไม่ได้อยากได้มันไงมันก็แฟร์ถูกไหมครับมันก็มี Excel แล้วไงในขณะที่มุสลิมถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงอย่าตั้งเป้าดุนยาจนลืมอาคีรักขอแค่ให้ตั้งเป้าหมายในดุนยาไว้บ้างแต่เป้าหมายหลักเรายังไงก็ต้องเป็น อระนะครับผมอันนี้ขอฝากฝากครับฝากตัวผมเองฝากพี่น้องที่ผมรักทุกท่านครับผมมุมมองความคิดมันเป็นสิ่งที่กั่นมาจากความรู้เรามีความรู้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กั่นออกมาเป็นความคิดของเราเนี่ยการนิเชิตของเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับผู้เปเศราก็ <Hmmm> ขอฝากพวกเราไปด้วยนะครับผมคุณอามนาอามนานะครับประทำทละมาบรักัลลอฮฟกลุ่มข้าราชารข้อบอกกบิชัดเจนบรักัลลอฮฟกลุ่มาาชาครับคุณบีบีสกิานะครับถูกต้องเห็นภาพเห็นภาพมองเห็นภาพเลยก็จะซาคิลลาห์ารับรกัลลอฮฟกลุ่มครับสิ่งใดที่พูดที่ผิดพลาดไปขอพวกเรายกเพื่ักเราทุกคนด้วยนะครับผมคุณอาสัสลามาก็วายลิคุมสลามอัลลอฮวะบรกาตูครับผมถ้าพูดอะไรร่วงเกินพี่น้องท่านใดนะครับมีอะไรที่ผมทาไม่ดี แต่ความชั่วช้าที่ผมทํำไปรุ่งเกณฑ์ท่านใดไปยกเข้าท้ผมด้วยแล้วก็ขอพวกล้อยกโทษในบาปทั้งหลายทั้งที่ผมมีทั้งที่พี่น้องมีแล้วก็ขอให้ความดีงามที่เราทันนั้นอยู่ในตราช่างที่งามของโพวกล้อสุภาโนตระพวกล้อขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตขอให้พวกเราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงผู้ที่ว่าเขานั้น ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยเพื่อความสุขที่หลอกลวงแล้วต้องไปเจอสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยกว่ายาอายุหารอินซาโนอินดากาดิฮอิลารอบิการ์ตะฮารฟมูนากียังไงเราต้องกลับไปหาพระเจ้ะในสภาพของคนเหนื่อยยังไงชีวิตมันต้องเหนื่อยพี่น้องเราต้องเหนื่อยผมต้องเหนื่อยพี่น้องทุกคนต้องเหนื่อยจะเหนื่อยยังไงล่ะให้ขุม นี่คือจุที่เราต้องตั้งไว้เพราะนั้นตั้งเป้าหมายให้ดีอะไรคือความประสบความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งเป้าให้ชัดครับแล้วก็ไปให้ถึงครับอากรูเกลีฮาดะมัสัคบรุลลอฮ์ัลิวะลิกุมวลิซายดมุสลิมีนมินคุลีดะมัสัคบรุอินหุบัลกฟุอารฮิมสุบฮานัรลลอฮัมดิกะอัชฮดลาอิลาลัะสวะรามุลลอฮ์วับรักต์